อ ง, งหกแห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหกพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศค่ะ 2. ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเศค่ะ3ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเศษค่ะ 4. ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสค่ะ 5. ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นอเศษค่ะ 6. มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5ภิกษุทั้งหลาย พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แหละพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยวงเล็บสอง